ในครูวว่งเพียงให้เจ้าได้มีความ สัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเราขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวซึ่งปี2553นี้นะคะก็ได้หารือ ก, กันกับพระคุณเจ้าที่ได้เมตตามาสนทนาธรรมในรายการทั้งท่านมาร์กแล้วก็ท่านพิบูล น, นะคะว่าเราจะ เพิ่มความเข้มข้นของรายการให้มากขึ้นดังนั้นในส่วนของพระมาร์คชาควโรซึ่งแต่ก่อนท่านจะได้พบในช่วงของวันพระหัสสบบดีและวันศุกร์เป็นการนำเอาพระสูตรของพระพุทธองค์มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ทำความรู้ความเข้าใจกันแบบเต็มรูปแบบน น, นะคะก็จะเป็นการที่จะให้ได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเต็มห้าวันจันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็จะหารือ กับท่านไปพร้อมๆกับที่ผูดกับท่านผูนะ้ฟนงณวันนี้เลยนะคะว่าจะเป็นไปนในลักษณะอย่างไรซึ่งขณะนี้พระมารชาคาวาโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทก็พร้อมอยู่ในรายการแล้วนะค ะ, ะน้ัสการกัะท่านคะจรญพรค่ะท่านคิดว่าในช่วงเวลาที่ท่านจะนําเสนอในปีนี้จะเป็นอย่างไรดีคะอกออ็มาพิจารณาดูแล้วน่าจะใช้เวลาที่เ อ, อ อย่างปีที่แล้วเนี่ยผู้ฟังอาจจะได้ฟังพระสูตรในเรื่องของธรรมะทั้งง่ายแล้วก็ยากเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยปีนี้เราอาจจะลองมาทดลองว่าใช้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงต้นของรายการเนี่ยอลองนั่งสมาธิไปพร้อมๆกัน <c oughs> ทีนี้การนั่งสมาธิหรือว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะลองเอาพระสูตรของอ ง, งค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่ ท่านได้ตัดสอนเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าอาณาปานสติเนี่ยทําอย่างไรมาอ่านให้ฟังหรือว่าอานิสงค์ของอาณาปานสติต่างๆมาอ่านให้ฟังหรือว่ามัควิธีการภาวนาที่ง่ายมาอ่านให้ฟังซึ่งคิดว่าบางทีการที่เราได้ฟังไปแล้วก็ใคร่ครวญไปด้วยการนั่งทําสมาธิก็ดีหรือว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยได้ เจอณาไครครวนธรรมะของพระผูมีพระภาคเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านฟังก็ได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างไรในช่วงเวลาที่ท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์คชาเขาวาโรวัฒนาปพงลํำลูกกาคลองสิบตั้งใจจะมอบให้วันนี้คงจะเหลือเวลาสั้นนิดนึงแต่ก็นิมนต์ท่านมาร์คได้ช่วยนำ ในสิ่งที่ตั้งใจจะนําเสนอกับท่านฟังได้เลยค่ ะ, ะ <c oughs> ได้ค <c oughs> ่ะสลับผู้ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการภาวนาเนี่ยหลักๆ ก, ก็คือเราใช้ว่าการภาวนาเนี่ยในลักษณะที่เป็นเอวของการนั่งหรือการนั่งสมาธิเนี่ยหลักๆ ก, ก็คือว่าให้เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออก <c oughs> แล้วก็หากมี ความคิดใดๆเกิดขึ้นว่าเราไปคิดในทางสุขทุกหรือความคิดในอดีตความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตต่างๆเนี่ยให้เรารีบวางความคิดนั้นซะเรียกว่าการละนั้นที่หรือว่าละความเพลินแล้วก็มาตั้งสติอยู่กับลมหายใจสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิอยู่หรือว่าผู้ที่ทํากิจการงานอื่นๆในระหว่างนี้ก็ให้มีสติหรืออยู่กับกายเรียกว่ากายคตาสติ หรือว่ามีจิตอธิฐานการงานใครอาจจะทำการงานอะไรอยู่ก็าตามก็ให้มีสติรู้อยู่กับกายซึ่งหลักการก็มีประมาณเท่านี้ช่วงลาสั้นๆเนี่ยจะลองอ่านพระสูตรของเรื่องของการจเจริญอาณาปณสติอย่างคร่าวๆสั้นๆให้เราได้ฟังกันเป็นตัวอย่างก่อนละถ้าวันพรุ่งนี้เน่มีเวลาเราก็จะอ่าน ประศุตเต็มเตให้ฟังสำหรับในเวลานี้ถ้าใครพร้อมก็ลองมานั่งสมาธิการสงบสติอารมณ์มีสติรู้กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มาฟังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้ตัดสอนว่าอานาปนานสติเนี่ยทําอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนุ์ เกี่ยวกับการเจริญอาณาปานาสติไว้ว่าอานอนอาณาปานาสติเป็นอย่างไรเล่าอานอนภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรง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 รู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งที่พระพู้ทธมีพระพาค์เจ้าได้ตรัสสอนไว้หายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ระหว่างที่รู้กับลมหายใจหากเราหลุดไปคิดในความคิดต่างๆก็ให้รีบวาง แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจให้เร็วที่สุดอ่าโชว์เวลานี้เราก็ได้ลองนั่งสมาธิการคร่าวๆออมาสมควรแก่เวลานาใครที่นั่งสมาธิอยู่ก็ค่อยๆผ่อนคลายอิเลียบทแล้วก็ออกจากสมาธิมาได้ สรารวันต่อไปแล้วก็ใช้เวลาช่วงต้นรายการนี้มาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิกั น, รกนพร้อมๆ ก, กันพร้อมกับฟังพระสูตรจากพระพูทมีพระพากเจ้านุกวันค่ะก็นำมส ก, การกราบคุณท่านอาจารย์ไว้สำหรับท่านฟังเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะต่อไปฟังรายการได้ครบทุกอย่างเราจะเริ่มต้นแต่ละวันของเราด้วยการ ทำกรรมหนักฝ่ายบวกไหคะคือทําแล้วได้อา น, นิสงส์เยอะคือการปฏิบัติธรรมก่อนที่จะไปสนทนาธรรมกันในช่วงต่อไปค่ะสัรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสรสนีสนทนารายการสรรสนีสนทนาในช่วงตอนกลางรายการ เราจะได้พบกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนซึ่งช่วงนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาเราใช้ชื่อว่าถามโลกตอบธรรม ท, ทีนี้ท่านอาจารย์ภัยบุญเนี่ยได้พูดกับดิฉันนะคะว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะให้ปีใหม่เนี่ยให้ท่านฟังได้มีความรู้สึกเลยว่าได้เข้าใกล้คำของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยว จะไปกราบเรียนถามท่านพร้อมๆกับให้ท่านร่วางได้ฟังไปด้วยเลยนะคะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าสำหรับในช่วงนี้อย่างไรดีนัมสการค่ะท่านค ะ, ะ, ะเออเจริญพรค่ะอย่างที่คุณยมติวพูดถึง น, นเนาะค่ะว่าปีใหม่นี้เราก็จะทำให้รายการของเราเนี่ยตรงประเด็นตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ให้ผู้ฟังได้ประโยชน์มากขึ้นจากพุทธวจนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ที่เราได้คุยกันเนี่ย ในช่วงเช้าอย่างนี้หรือว่าช่วงระหว่างวันเนี่ยเราก็จะใช้ช่วงนี้ชื่อว่าเปิ ด, ป ด, ดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะอันนี้เป็นการที่ท่านแต่งขึ้นมาเองหรือยังไงคะคาว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเนี่ยเป็นคําของพุทธเจ้าพุทธเจ้ากล่า ว, าวาชมสาวกที่มีการไต่ถามทวนถามแกกันและกันเนี่ยแล้วก็เปิดธรรมที่ถูกปิดได้เนี่ยบอกว่าโอสาวกแบบนี้เป็นสาวกที่เลิศเป็นชั้นประเสริฐไอองี้ค่ะว่าตรัสแก่สาวก ใช่ะะบอกว่าเอาคําคําที่เป็นภาษาคดภาษาศิ์เนี่ยมาสอบถามทวนถามแก่กันและกันว่าข้อนี้มีความหมายกี่ในมีความหมายอย่างไรเนี่ยแล้วก็จะเปิดธรรมที่ถูกปิดได้เพราะฉะนั้นรูปแบบรายการเราก็จะช่วงนี้ก็เลยจะตั้งชื่อว่าเป็นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธปัจจณาค่ ะ, ะก็จะมีการให้ผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้มีการ ส่งความเห็นข้อความอะไรต่างๆมาทางสื่อต่างๆของทางรายการด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกันนะคะสำหรับหมายเลข SMS ที่ทางท่านผู้ฟังเนี่ยจะสามารถติดต่อถ่ายถามเข้ามายัางรายการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ต่อจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ฟังคะก็ตามที่พระจันทร์ไผ่บูรได้กล่าวไปแล้วเราจะใช้ชื่อนี้แทนถามโลกตอบธรรมว่าเปิดธรรมที่ถูกปิด ซึ่งเป็นพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสแก่สาวกนะคะที่ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมาทวนถามกันม า, าไปถามกันไป ถ, ถามให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ใช่นะคะซึ่งเป็นวัตถุประสง์หลักของรายการเราอยู่แล้วถูกต้อ ง, อ ง, องเห็นท่านบอกว่าจะให้เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันด้วยสมมติว่าอย่างวันนี้ค่ะ <c oughs> เป็นช่วงเวลาตอนเช้า <c oughs> อ่าตอนเช้าท่านฟังจะนําเอาพุทธวจนะมาปฏิบัติในชีวิตอย่างไรสักหนึ่งเรื่องดีคะท่านคะก็เอาอย่างง่ายๆเลยนะเวล า, าตื่นนอนอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราทําคือการตื่นนอนใช่ไหมในตอนเช้าค่ะคุณเจ้าบอกว่าภิกษุหรือสาวกคนไหนเนี่ยถ้ามีข้อปฏิบัติอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ยคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสีย แต่บริาจาคเราใช้คําว่าอปันกับปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียนะก็คือว่าเอาเรื่องการนอนกับการตื่นนี่ก่อนก็คือเวลานอนเนี่ยให้นอนอย่างศี่ห ย, ยาสัยยะพิจตกแกงข้างขวาเท้าเหลื่อมเท้าแต่ล้วก็มีสติสัมปชัญญะในอันที่จะทําการลุกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติมเรานอนอยู่เอตัวบิดตัวอะไรไปไม่เป็นไรแต่ก่อนจะตื่นเนี่ยพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยให้ลองทําท่าศี่ยาสัสายยาดู แล้วให้กําหนดสติสัมปชัญญะในลมหายใจก็ได้ในกายก็ได้แล้วก็ลุกขึ้นอย่างมีสติแค่นี้เองก็จะเรียกว่าทําตามพุทธวจนะแล้วส่วนหนึง่งตั้งแต่ตอนตื่นนอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ว่ากําหนดแค่ท่าทางเท่านั้นนะคะแต่มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในการกําหนดท่าสีห์สายยาหรือสีห์สายญาตนอนตะแคงด้านขวาใช่ไหมคะท่านใช่จิงๆกําหนดตั้งแต่ก่อนนอนแล้วแต่เมื่อมาตื่นนอนให้กําหนดอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีสติสัมปชัญญะในอันที่จะลูกขึ้นค่ะเป็นการฝึกสตินั่นเองใช<อ>่นะคะเป็นการฝึกสติฝึกกับอาการที่เรากำลังตื่นนอนนี่ก็ฝากเอาไว้เลยนะคะสำหรับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะใ<อ>นะช่วงของพระอาจารย์ภพบุญพิปุนโนวัดป่าดอนหายโศอุดัรธานีนี้ถ้าอาจารย์คะยังมีความหลงสาหรับช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นความคิดจากท่านผู้รู้ต่างๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาเขียนบทความนะคะ mm hmm. วันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นบทความจับจิตด้วยใจในหนังสือพิมพ์มติชนโดยคุณหมอวิธานฐานะวุฒิค่ะ oh. ท่านเขียนหัวข้อเรื่องสะสมความสุขได้เรื่องดีๆประจำวัน mm hmm. ท่านไปเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาอ่านแล้วดิฉันก็โอ้โหทึ่งจริงๆมนุษย์คิดเยอะมากโดยเฉลีย่ยแต่ละวันบอกว่าตั้งแต่สี่พันถึง หกหมืนเรื่องผ่านสมองของเราเอาแค่ช่วงเวลาตื่นนะคะอ oh. ค่ะแล้วเขาบอกว่าที่มีปัญหาคือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็น์ของเรื่องพวกนั้นมันมักจะเป็นความคิดที่ผ่านมาแล้วอยู่ในอดีต hmm. อดีตผ่านไปแต่ยังวนเวียนกับความคิดนั้นอ <Yeah. S 1> และที่น่าตกใจมากกว่านั้นแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นความคิดด้านลบคะ่ะท่านคะ่ะอ hmm. แล้วเขาบอกว่ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อีกชุดหนึ่ง บอกความคิดลบเนี่ยเกาะติดกับเซลล์สมองได้หนาแน่นมากกว่าด้านบวกซึ่งความคิดด้านบวกจะหลุดได้ง่ายอืม hmm. ส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งท่านบอกบังเอิญมีงานวิจัยนี้เลยใจชื้นมีข่าวดีว่าถึงแม้ว่าเครือข่ายด้านลบจะเกาะแน่นมากกว่าด้านบวก uh. แต่เหตุที่ทําให้เกาะแน่นเพราะตัวของเจ้าของความคิดคือตัวเราเองก็คงจะหมายความว่าถ้าอย่างนั้นมาแก้ที่ตัวเอง นะคะแล้วท่านก็เสนอค่ะเสนอสองวิธีบอกว่าวิธีแรกเนี่ยทำให้จำนวนความคิดในแต่ละนาทีน้อยลงทางที่ดีที่สุดก็คือจะต้องช้าลงอยู่กับความจริงตรงหน้าให้มากขึ้นนะคะแล้วสองท่านก็บอกว่าเราจะต้องตั้งใจแช่กับความรู้สึกดีๆหรือความคิดด้านบวกให้มากขึ้น วิธีที่จะอยู่กับความคิดด้านบวกให้มากขึ้นที่ท่านแนะนํามาก็คือให้เขียนบันทึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขบ่อยๆนะคะแล้วก็สรุปว่าขอให้เรามาเริ่มต้นปีใหม่กันกับความสุขจากข้อมูลที่ได้ให้ไปพิจารณากันแล้วก็นํามาสู่วิธีปฏิบัติถ้าคิดไม่ออกท่านก็ยกตัวอย่างมาให้มองในมุมพุทธวจนะคะท่านคะ่ะ เ, เรื่องความคิดทางบวกทางลบนี่จะมีอยู่สองประเด็น ในในในบทความนี้ที่อธิกามองเห็นมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือความคิดทางบวกความคิดทางลบความคิดทางบวกแต่ที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยคือเรื่องกุศลธรรมซึ่งมันครอบคลุมกว่าความคิดทางบวกของตามพวกนักคิดหรือว่าหมอที่เขาบัญญัติเอาไว้มากพระเจ้าพูดถึงความคิดทางบวกกับความคิดกุศลธรรมกับอกุศลธรรมไว้ก่อนแยกกันสองส่วนอย่างนี้ใ ช, ใช่ไหมความคิด ที่เป็นกุศลธรรมที่วิชาบัญญัติเนี่ยคือความคิดที่ไม่เป็นไม่ใช่เรื่องของกามคือไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกนิ้วไก่ใจเป็นเรื่องความคิดที่มีแต่ไม่ใช่ เ, เรื่องของพยาบาทแล้วก็ไม่ใช่เป็นความเบียดเบียน<ช>อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สามอย่างนี้เป็นความคิดกุศลหมดดีหมดใ ช, ใช่ไหมทีนี้บัญญัติก็จะจะเป็นลนนักษณะนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ความคิดทางลบเนี่ยจะติดอยู่ในสมองได้นานกว่า แต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้ใช่ปะ่ะซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับที่าพาาุทธวจนะตรัสไว้พระเจ้าบอกว่าเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตก็ย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือสมองเนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่ลึกกว่าสมองถึงไหมเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเนี่ยน้อมไปเอียงไปทางใดามากเนี่ยสมองเนี่ยเป็นห้องทํางานเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างสมมุติลองคิดดูเราอยู่ในห้องทํางานคนทํางานในหว่าทํางานเนี่ย ที่สัยเป็นอย่างไรห้องทํางานมันก็จะถูกจัดออกมาลักษณะอย่างนั้นเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยอยู่ที่คนทำค่ะเหมือนกันถ้าจิตเราเนี่ยคิดแต่เรื่องอคุศลมากๆเนี่ยสมองมันก็จะต้องมีแต่เรื่องที่เป็นอคุศลแหละมันก็จะติดง่ายกว่าแต่ถ้าจิตเราเนี่ยคิดเรื่องกุศลมากๆมากๆเนี่ยตึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากเนี่ยเป็นเรื่องกุศลเนี่ยจิตของเราสมองของเราเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องกุศลดีๆอยู่อืมอันนี้จะสอดคลองกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็เท่ากับว่า จริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งที่นักคิดสมัยใหม่ได้คิดออกมามันก็ไม่ได้หนีในสิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่งพระพุทธองค์ได้ค้นพบไวไ้ใช่ <นะ S 2> เพราะฉะนั้นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแหมท่านคิดแต่เรื่องทําบุญทํากุศลนั่งสมาธิถือศีลใช่ไหมไปหาทำอธิบายทานที่นั่นที่นี่เนี่ยจะเป็นการดีดีมากๆเลยไม่เบียดเบียนใครไม่พยาบาทใคร่องทีนี้เรื่องของความสุขเนี่ยสิคะท่านออถ้า ในทางโลกโกเนี่ยความสุขของแต่ละคนก็คงจะคนละแบบเด<อ>็กวัยรุ่นดี ใ, ใ, ใจมากเลยมีความสุขได้ไปฉลองที่เซ็นทรัลเวิร์สนะคะคมีบริวโรีนักร้องที่ชื่นชอบเยอะแยะแต่ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรนเจอมากับตัวเลยนะคะเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็สงสารลูกลูกเริ่มโตเป็นสาวก็อุตส่าห์ไปจองโรงแรมที่อยู่ใกล้ใ้เซ็นทรัลเวิร์สนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ไปเที่ยว แล้วก็ไปจองที่หน้าเวทีเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปยืนเฝ้าด้วยว่าะห่วงลูกอบอกลูกสนุกมากเลยแต่พ่อแม่แทบแย่6ชั่วโมงแห่งความทุกข์ทรมานไปไหนไม่ได้อันนี้มองให้ขำๆนะคะแต่ก็ยังมองเห็นว่าเนี่ยขนาดเห็นชอบในกิจกรรมเดียวกันก็ยังมีความรู้สึกสุขทุกแตกต่างกันอันนี้เป็นสุขทุกแบบโลกๆที่คุณหมอบอกว่าให้ คิดถึงความสุขเยอะๆคือแช่อยู่ในความคิดดีๆให้นานๆนะคะเราจะได้ไม่ให้เครือข่ายของความทุกข์เกาะติดในสมองนานความความสุขที่พระุทธเจ้าแบ่งไว้เนี่ยเป็นสองระบบระบบแรกเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบที่สองเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในพระุทธเจ้าบอกว่าไอ้ความสุขแบบแรกเนี่ยนะเป็นมีความสุขอยู่แต่ว่าไม่ควรเสกเพราะว่ามันมีโทษมาก แต่ความสุขอย่างที่สองเนี่ยแหละเป็นความสุขที่ควรเสรคือความสุขที่เกิดจากในภายในค่ ะ, ะทีนี้มันก็มีประเด็นอย่างนี้ว่าเอ๊ะความสุขแบบแรกทำไมไม่ควรเสร ค, คือมันมันมีโทษมากธรรมมาจะเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าเหมือนคนที่เป็นโรคเรื้อนน่ะใช่ปะ่ะเขาจะมีแผลผุพองตามตัวแล้วแผลผุพองเขาเนี่ยก็จะมีหนองไหลออกมา พอหนองแล้วมาแมลงวันก็จะมาตอมแมลงวันตอมก็จะมีเชื้อโรคมาเกาะพอมีเชื้อโรคมาเกาะทําปฏิกิริยากันเนี่ยบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยจะรู้สึกอาการคันพอคันแล้วก็จะเกา<ห> พ, อพอเกาแล้วจะเกิดความสุขที่เกิดจากการเกาเนี่ยมันจะมันๆสักหน่อยเนี่ยใช่ไหมความสุขนั่นแหละคือความสุขนิดหนึ่ง<ห>แต่พอยิ่งเกาก็ยิ่งคันใช่ไหมยิ่งคันปุ๊บหนองก็ไหลมากอีกแมลงวันก็มาเกาะอีกเชื้อโรคก็ยิ่งไหม่ยิ่งไหมก็ยิ่งคันอีก เหอย่างเงี้เห็นภาพเลยค่ะเอาเกายิ่งเกายิ่งคันยิ่งมันยิ่งเกาอย่างงี้นะค่ะมันก็จะมีความสุขหน่อยหนึ่งที่เกิดจากอาการคันแต่คนผู้นั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเอ้ถ้าเราไม่เป็นโรคอีกต่อไปเนี่ยมันไม่ต้องเกาเลยใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบความสุขที่เกิดจากกามความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจคือความสุขที่เกิดจากเวลาคันแล้วเกานั่นแหละความสุขหน่อยหนึ่งแต่โทษมันมากแต่ความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ย ใครเอาไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้น้อยหน่อยอย่างนี้ค่ะมากกว่าก็เป็นการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะว่าในการที่จะอยู่กับความสุขถ้าสมมุติว่าท่านยังรู้สึกว่ายังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ น ะ, ะก็อาจจะยังเสพความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ต้องรู้จักความจริงของความสุขประเภทนี้เอาไว้ด้วยใช่ไว้เลยในขณะที่มีความสุขไม่ว่ากันถ้าท่านจะมีความสุขแต่ต้องรู้ทันมันด้วยว่าสุขพวกนี้เป็นสุขไม่ถาวรเป็นสุขที่เปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์ได้ตลอดเดวลา ใ, <ช>ใช่ไหมคะแต่ในขณะที่สุขอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้ก็คือสุขจากในภายในบางคนก็เลยบอกว่ามันจะสุขที่ไตหรือที่ตับคะ ความสุขที่ใจค่ะหรือที่ใจก็คือว่าเอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้เป็นวิญญาณเป็นนามขัน <C' est> เพราะฉะนั้นมันจะมันก็ไปได้ทุกที่อตับก็ได้หัวสมองก็ได้ตายก็ได้แขนก็ได้ขาก็ได้แต่แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นกายที่เราจะต้องเอาสติไปใส่ไว้พอเรามีสติใส่ไว้นี่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นจิตถ้าเห็นจิตเนี่ยแสดงว่าเธอเป็นผู้เห็นจิตในจิตอ่ะอาจารย์คะถ้าเช่นนั้น ยกตัวอย่างในกรณีที่ยังเป็นสุขแบบทางโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มีในภายในเข้าไปจับในอายตนะพวกนี้จะเป็นอย่างไรคะก็คือเป็นความสุขเป็นผู้ที่อมีเสพได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่จิตของเราเนี่ยไม่มีความเพลินไปในสิ่งเหล่านั้นค่ะอะจะไม่มีความกําหนัดพัวพันมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นคือตัวความสุขก็อยู่ที่ตัวมัน จิตของเราก็ยังนิ่งอยู่ไม่หลงไปตามนั้นแล้วในขณะเดียวกันแล้วจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจและเราก็จะมีความสุขจากในภายในโดยที่เราก็ยังกินอาหารอร่อยๆได้ไปเที่ยวสามต่างจังหวัดต่างประเทศแล้วมีความสุขก็ได้แต่จิตเรานิ่งอยู่ยังมีสติอยู่ก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นเทคนิคในการที่เราใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดานี่แหละ อยพระท่านใช้คำว่มามีความสุขทั้งสองโลกพร้อมกันมีความสุขสองโลกพร้อมกันสะสมความสุขด้วยเรื่องดีๆประจําวันที่นายแพทย์วิธานฐ า, านวุ ธ, ธิเริ่มต้นเอาไว้ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเราจึงขอเพิ่มไปให้ด้วยการมีความสุขสองโลกด้วยเรื่องดีๆประจําวันอย่างที่พระจันทร์ภัยบุญอ ภ, ภิปุโ น, โนได้ฝากเอาไว้ให้เราในวันนี้นะค ะ, ะในช่วงที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะ ซึ่งมาแทนถามโลกตอบธรรมวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้ค่ะานามัส ก, การค่ะสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึง้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนธนาท่านฟังค่ะเรามีการปรับการดำเนินรายการสันสนีสนธนากันบ้างเล็กน้อย ทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้กรอบความคิดที่อยากให้ท่านฟังฟังรายการเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เราฟังธรรมะกันมาก็ น, นานพอสมควรแล้วจึงอยากจะให้ท่านเนี่ยได้เข้าถึงในส่วนของการปฏิบัติธรรมด้วยในรายการเป็นเชื้อนะคะแล้วก็ดิฉันฟังพระคุณเจ้าหลายท่านเช่นพระอาจารย์ครือคริตหรือพระอาจารย์ภัยบูลแม้กระทั่งพระมาร์กเองก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมแม้แต่ เวลาสักประมาณ4ีนาที5นาทีเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์แล้วในแต่ละวันนะคะดังนั้นในรายการจึงจะมีการนำเสนอตั้งแต่ตอนช่วงต้นถ้าใครเป็นคนฝ่ายการปฏิบัติเวละเล็กเวละน้อยก็เชิญเลยนะคะประมารชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลอง10ก็จะนำเอาพระสูตรที่เป็นประโยชน์มาอ่านให้ท่านฟังพร้อมกับเปิดโอกาสให้ท่านได้ปฏิบัติทำกันไปพร้อมกันในช่วงต้นของรายการนอกจากนั้น เราจะมาต่อด้วยช่วงเวลาของพระอาจารย์ภพยบูลซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะเราต้องการทราบนะคะว่าท่านมีคำถามอะไรที่สนใจให้พระคุณเจ้าได้ตอบกันถ้าทาง SMS กรุณาทิ้งคำถามและคำแนะนำของท่านไว้ที่4838106 4838106นะคะระบุว่าถึงรายการสัมสนนทาและถ้าหากว่าท่านถนัดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ส่งไปที่เว็บไซต์ www.piethama.com/106 piethama ก็ p-u-r-e-d-h-a m 2ตัวและ a นะคะ piethama.com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 สทรอ f เ6็มวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน